จะอาหารมื้อสุดท้ายเอาอ่านเจอยังได้รับยกย่องว่าไงได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะตอนยังไม่ได้บวชว่าไงตอนนั้นเป็นแค่โสดาบันดูในเอกสารชุดที่ที่หนึ่งหรือที่สองดูเอาเองแล้วกันได้คําตอบก็รู้เอาเองทีนี้ อ, อตอนหลังเนี่ยนางได้ออกบวชเพราะลูกชายคงจะเป็นลูกไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อนะก็อยู่มาจนกระทั่ง นางมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายคนนี้ชื่อว่าวิมลโกณัญญาหรือวิมณกณธัญญะไม่ใช่ัญญากณธัญญะชื่อวิมณกณธัญญะลูกชายได้ไปบวชเมื่อถึงใบเจริญเติบโตนางเองแก่เท่าชลาพอสมควรแล้วลูกชายได้ไปบวชจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์นี่แปลว่าลูกชายบรรลุเป็นพระอระหรันต์ นางได้ไปฟังธรรมที่ลูกชายเทศเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาออกเป็นภิกษุณีที่บวชเมื่อแก่อีกรูปหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อตอนแก่ก็ไม่ได้บรรลุรวดเร็วอะไรนะบอกบรรลุตามลำดับหลังจากเป็นโสนาบันมาแล้วออลองฟังคาพูดที่นางเล่าชัดๆดูสักหน่อยก็ดีนะ นางอัมพาปาลีว่านางได้เล่าไว้อย่างรู้สึกว่ายาวเห็นแล้วก็ทอสามหน้ากระดาษนี่เอาเป็นว่าผมกระโดดกระโดดอ่านแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมของเราสีดำครับคล้ายกับปีกมแมลงภูนี่ก็พละนาวเมื่อก่อนเนี่ยยังอยู่ในวัยสาวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลยเป็นคนชราอวัยวะทั้งหลายก็แก่ง่มสุดโทม ถูกความชลาคอบงำนางมาพิจารณาถึงความชล า, างตัวเองเป็นเบื้องต้นเราถ้าเราเคยอ่านพระสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่ า, าเรื่องอภินาพัจวิทเนี่ยนะฮะในพระสูตรนะบอกว่าคนพิจารณาทำให้บรรลุเป็นอริยบุคคลได้เพราะนั้นอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยนับไม่ถ้วนมีเป็นอนเนก ถ้าใครเคยอ่านว่ารีดกแล้วสนใจตรงนี้เนี่ยความคิดจะไม่จํากัดอยู่แค่สติปัฏฐานสี่เท่านั้นแหละครับมีเป็นอนเนกแล้วไม่ใช่ว่าเราคิดเองพระพุทธเจ้าตรัสเลยโลกก็ทำโลกก็ทำโลกก็ทมแปดพิจารณาแล้วทำให้บรรลุเป็นพระหลานได้นะต้องแต่ว่าการพิจารณาต้องพิจารณาในหลักกลางนั่นเองหลักรายละเอียดทั้งหลายเนยอยู่ที่หลักกลางถ้าเข้าใจหลักกลางแล้วก็เชื่อมเข้าหาได้หมดเป็นอันเดียวกันหมดนั่นนาพินหาปิจเวกมีอยู่ข้อนึงคือ ความฉลาที่คนเราเนี่ยการพิจารณาความเกิดแก่เจตายถ้าชีวิตใครอยู่ในจังหวะไหนเนี่ยจุดนั้นเป็นจุดดีที่สุดพิจารณาขึ้นดีสุดเช่นใครกําลังป่วยพยาธิเป็นจุดดีที่สุดใช่ไหมใครกําลังจะตายหรือใครกําลังมาตายให้เราเห็นความตายเป็นจุดดีที่สุดใครกําลังแก่ความแก่ก็ดีที่สุด ใครมาเกิดไอ้เรากําลังเกิดคงไม่ได้ใครมาเกิดให้เราเห็นความเกิดเป็นจุดดีคือยมรุษเจ้าพิจารณาการเกิดของพระลาหุ่นนะพิจารณาอย่างเป็นธรรมก็เป็นจุดดีที่สุดหรือการถูกเขาด่าเขาว่าในโลกธรรมแปดก็จะมีประวัติของพระองค์ใดองค์หนึ่งที่อาจจะอยู่ในชีวิตพระเทรศแต่พระเทรีบางมอีองค์ไปเกี่ยวข้องกับท่านบุญนะก็กลายเป็นจุดดีที่สุด เลยยังนับไม่ท่วนนะจริงๆอ่บับของกรรมฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยหลากหลายจนผมเชื่อว่าไม่มีใครนับและถ้าจะนับให้ท่วนก็ไม่ใช่ของง่ายแต่เราจับหลักตรงนี้ได้แล้วและนั้นเราผมเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินอยู่คนเดียวที่พูดอย่างที่ผมเคยพูดและเข้าใจตรงกันคือหัวหน้านําเที่ยวที่พาเราไปอินเดียแต่ไม่ใช่คนนี้นะ คนหน้านำเที่ยวออาจารย์ทำรร ม, มาพูดตรงเพราะว่าท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกมาถึงจะอ่านมานานแล้วแต่ท่านจับหลักตรงนี้ได้ท่านเป็นนักปฏิบัติ ด, ด้วยอต่อไปนะฮะพูดอย่างที่ผมพูดเนี่ยคงไม่มีใครนึกออกเพราะว่าไม่เคยไม่เคยมีความเข้าใจเตรียมรับไปผมมีความเข้าใจมันพลั้งมานิดเดียวผมรู้เลยว่านี่เคยอ่านพระไตรปิฎกและเป็นนักปฏิบัติ ถึงพูดออกมาอย่างนี้ได้แต่ผมก็ยังไม่ได้บอกแกเจ้าตัวกันนะแต่จะบอกอาจารย์ตองคําที่ไปด้วยเออว่าความคิดอันนี้กรงกันและแสดงว่าอ่านพระไตรปิฎกจริงๆถึงพูดอย่างนี้ได้แล้วต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนะแล้วต้องมีมีความเป็นคนกว้างด้วยความคิดกว้างด้วยไม่ใช่ดักความคิดทั้งตัวเองไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งถึงพูดอย่างนี้ได้ผมเกิดมาผมก็ได้ยินคนนี้พูดคนเดียวคนอื่นอาจจะเคยพูดแต่ผมไม่ได้ยินช่วยไม่ได้ ใจความอย่างที่ผมพูดพูดแบบไม่ได้ตั้งใจะนะไม่ได้ตั้งใจพูดออกมาในวันที่สามที่เริ่จะวันที่สามขึ้นประวัติของภิกษุณีรูปต่อไปภิกษุณีรูปต่อไปคือพระนางโลหินีเทรีเมื่อเราได้เห็นชื่อของนางโลหินีนั้นกรุณาอย่าเอาไปปนกับน้องสาวพระอนุรุทธะนะฮะ พระอนุรุทธะมหานามะสามองค์ในพี่น้องกันพวกเจ้าสักยะเหมือนกันคนละองค์กันครับองค์นั้นเป็นโลกเรือน อ, องค์นี้นะเป็นลูกพลามมหาสารชาวเมืองเวสาลีก็ไปฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็มไม่ใช่เจ็ดขวบาหลังเจ็ดขวบคงจะสิบขวบมาแล้วไม่ควรจะเกินสิบขวบเมื่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยอันนี้จะเราจะได้คติสำหรับคนที่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชแล้วก็อาจจะรวมทั้งภรรยาไม่ยอมให้บวชสามีไม่ยอมให้บวชนะเอาหลักนี้ไปใช้แต่ว่ามันจะไม่ได้ไฐานสำคัญ่ า, าพระนาง โลหินีเนี่ยเมื่อบรรลุโสดาบันแล้วได้เอาธรรมะไปฝากพ่อแม่ไปฝากยังไงครับไปเทศเทศให้พ่อให้แม่ฟังเ อ, อเดี๋ยวผมจําเป็นจะต้องอ่านเนื้อความที่นางเทศโอ้อเห็นแล้วก็กุ้มอีกแล้วนี่สี่หน้าสามหน้าครึ่งเดี๋ยวดูนิดๆหน่อยๆนะไปเทศให้ให้พ่อแม่ฟังจนกระทั่งพ่อแม่เลื่อมใส นี่เขาเรียกว่าลูกที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่บุตริยาจัดว่าอายุร้อยปีให้พ่อให้แม่ขึ้นบาขวาบ่าซ้ายถ่ายอุจจาระบัสาวะแล้วก็อาบน้ำนวดฟันเช็ดเนื้อเช็ดตัวนุ่งห่มใม่ท่านร้อยปีการตอบแทนอย่างนี้ยังไม่เชื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณใารตอบนี่หมายถึงตอบเอเกเซนนี่ที่หมดเลยนะแต่ว่าบุตรใด ที่ทําให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธามีศรัทธาไม่มีสุตตา ม, มีสุตตาได้พูดเอาความว่าได้บรรลุธรรมในพธธระไตรปิฎลเล่มที่ยี่สิบตุ ก, กนิบาตอังคุตรนิกายพูดไว้อย่างนี้นั่นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแกมมารดาบิดานี่ทําพ่อแม่ให้เลื่อมใสก็ชื่อว่าตอบแทนแล้วทําให้บรรลุธรรมก็ยิ่งตอบแทนอย่างประเสริฐสูงสุด ชนิดที่ใครได้แล้วเนี่ยไม่ลืมบุญคุณเลยกลายเป็นผู้ที่มาติดบุญคุนลูกจริงไม่จริงผมได้ยินพ่อแม่รุ่นนี้พูดแล้วพวกเรานี่แหละครับเข้าวัดเพราะลูกลูกสาวมีคนนะเนี่ยดูคนนี้ไม่ได้มาเข้าวัดเพราะลูกสาวแล้วไปปฏิบัติธรรมเพราะลูกสาวบอกว่านึกถึงบุญคุณไม่ลูก ล, ลูกไม่เรลยเวลาแฝงดวงสนแผงให้ลูกด้วยด้วยความกระตันอยู่แก่ลูก นี่ภาษาธรรมะนะพูดอย่างนี้คิดแบบภาษาโลกระชวนขำแล้วถ้าทำให้บรรลุเนี่ยโอ้โหลองคิดดูก็แล้วกันพ่อแม่พระพุทธเจ้าพี่ป้านาอาบรพุเตเจ้ามีความรู้สึกต่อบระพุเธเจ้าอย่างไรยังไม่เคยลืมเด็ดขาดเกิดอีกอกี่ชาติก็ไม่ลืมเมื่อพ่อแม่เลื่อมใสก็เลยถือโอกาสขออนุญาตบวชพ่อแม่ ซึ่งเข้าใจเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างลูกแล้วก็ยอมให้บวชแต่โดยดีดังนั้นพระนางจึงได้บวชและเมื่อบวชไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระระหรันชั้นสูงในพระพุทธศาสนาคือถึงพร้อมโดยปฏิสัมพิธานางบอกว่าในอดีตเนี่ยจุดเริ่มต้นที่นางสร้างวา ร, รมีอธิษฐาน ใช้อะไรเป็นที่อาศัยใช้ทานทำทานด้วยอะไรถวายขนมพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสูจน์สองหมูใหญ่ถวายขนมนะขนมอะไรไม่รู้คงเป็นขนมแกกๆก็แหละจะเรียกว่าถวายแต่อาหารหวานก็เห็นจะได้แก่พระพุทธวิปัสสีเป็นประธานแล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อไปอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวดูดูคา ที่นางมาเล่าให้ฟังว่าวิดาถามเราว่าดูก่อนแมโรฮินีผู้เจริญเจ้าเห็นสมณะนี้ว่าเป็นธรรมะรู้สึกว่าเป็นสมณะสรรเสริญสรรมะทั้งหลายเห็นเจ้าเห็นจักเป็นธรรมะเป็นแน่แท้เจ้าได้ถวายข้าวนา้าอันไพยบูนแกธรรมะทั้งหลายดูก่อนโรฮินีบัดนี้เรา จักขอถามเจ้าเพราะเหตุอะไรสมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของเจ้าอมณะเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ไม่ใคร่ต่อการงานเกียจคร้านอันนี้เป็นความคิดไม่ได้เจี่ยงจงจาจนะอันนี้พูดตามภาษาที่กระจายโลกเหมือนเดี๋ยวนี้พูดกันนะ่ะพวกเราก็มีบางทีก็อ่ลูกหลานก็มีพ่อผัวแม่ผัว ก, ก็มีสามีที่บางก็มีเหมือนคนเกยียจคร้านไอ้เรื่องนี้เราแหมฟังแล้วเราก็คันปากอยากอธิบายแทน แต่ก็ไม่ได้ถามเราช่วยไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่รู้จักด้วยก็เป็นความคิดของของชาวโลกมองอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพเป็นผู้มีแต่ความหวังเรื่องอาหารเครื่องหนูหมเป็นต้นแต่คนอื่นเนี่ยใคร่ต่ออาหารอันอร่อยเพราะเหตุไรสมนาทั้งหลายจึงเป็นที่รักของข้าพเจ้าเอานี่นางนางนางนาง ส า, างปัญหาถามก็ตอบว่านี่ก็พลานาคุณของสนะัณะต่างๆในยืดยาวในเรื่องของจริยธรรมความประพฤติความเป็นบ่อเกิดของบุญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นํานองอย่างที่เราเข้าใจนี่แหลคะครับจนกระทั่งพ่อนะเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ถึงกระถึง พระไตยสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งเนี่ยลูกเอาบอกว่าในธพอ่อกลัวทุกเกลียดทุกขอให้ไป ห, ห, หาพระพุทธเจ้าจะแก้ทุกข์อะไรต่างๆได้เนี่ยนั่นก็สรุปแล้วมีวิธีชักนำคนเข้าวัดที่ว่าไอ้ข้อหลักๆการชักนําคนเข้าวัดมีวิธีอะไรบ้างเนี่ยอมันมีประวัติพวกนี้รับรองวาบางทีก็อเ อ, เอาเรื่องของอย่างนางเนี่ยพูดถึงความทุกข์ ถึงจะเป็นทุกข์ของคนร่ำรวยก็ตามแล้วก็ความบริสุทธิ์แล้วก็โยงเข้าไปหาที่มาคือพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาก็เกิดความศรัทธาแล้วก็เข้าวัดแต่ว่าไม่ได้ในนี้ไม่ได้ยืนยันว่าพ่อได้บรรลุหรือไม่ในตอนนี้นะฮะเป็นแต่เพียงบอกว่าพาพ่อพาพ่อแม่เข้าวัดแล้วนี่เรื่องของ พี่คือีนรูปนี้ต่อไปอีกองค์หนึ่งชื่อว่าพระนางจาปาเถรีองค์นี้นะ่ะถ้าเอ่ยถึงผู้ที่เป็นอดีตสามีแล้วก็ทุกคนจะรู้จักกันทุกคนเลยครับผมเชื่อว่างั้นสามีของนางรูปนี้คืออุปกาชีวกอุปกาชีวกคือใครคือ อาชีวคนหนึ่งที่ได้พบพระพุทธเจ้าก่อนตัดหน้าปัญญวัคคีเมื่อทรงเสด็จจากโคนต้นอาชะปาลานิโครธเมื่อพิจารณาแล้วว่าจะไปโปล่อยใครก่อนแล้วก็จาริกซึ่งอยู่ในลัศมีของโพธิคยานะฮะเสด็จจาริกไปสู่เมืองพารันศีสารนาฏไปที่นั้นในระหว่างทางก่อนถึงสารนาฏเข้าสู่เขตเมืองกว่าพารันีแล้ว แกนพารณนสีอยู่ใ น, ในแกนนั้นก็ได้พบกับอุปการชีวกอุปการชีวกจะไปไหนก็จะจาริกไปตามหมนทางของตัวแล้วก็ที่ไปก็คือไปสู่สกุลอุปถักซึ่งเป็นพ่อของนางจาปาเนี่ยครับก็ไปเห็นก็ถามเห็นว่าแหมมีบุคลิก ม, มีอินทรีย์หน้าเลื่อมใสท่านบวชที่แกศใครใครเป็นาศาสดาเป็นอาจารย์ของท่านถามหลวพุทธเจา้จาพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่มีครูเราเป็น ผู้บรรลุเองเป็นอนันตจินนะท่านฝากคําฝังความเลื่อมใสขวังสัญญาอันหนึ่งไว้ให้รู้ว่าเอาไว้กินกันในอนาคตเอาไว้พึ่งในอนาคตอ น, อนันตจินผู้ชนะไม่ยังไม่มีขอบเขตเทียบได้กับผู้ชนะสิทธิท์นะ่น้อยไปในผู้ชนะยังไม่มีขอบเขตก็เลื่อมใสในในคำพีบอกเลื่อมใสนะที่ว่าแลบลิ้นแลบลิ้นนะในพระไตรปิฎกมันอธิบาย แลบลิ้นสั่นหัวแขกเนี่ยเขาสั่นหัวเขาสั่นแบบจนโยนนะขนาดไปซื้อหนังสือที่ที่พม่าเนี่ยในร้านหนังสือหนังสือเนี่ยแขกคนนี้ใจดีแกขายผมถูกในหนังสือเก่าซื้อร้านร้านอื่นตั้งสองร้อยมันจัดร้านนี้มาขายเจ็ดแปดร้อยจัดขายแล้วมัก็ยิ้มทำท่าว่าถูกแต่ตาเราแล้วก็สั่นหัวไปไอ้ไอ้แขกร้องเพลงสั่นแบบโยนโยนไม่ใช่สั่นอย่างนี้นะสั่นแบบโยนโยน ไอ้ทีแรกเราก็เอ๊ะทำไมต้องสันนึกว่ามารอเรียนเราซื้อเสร็จแล้วมันสันหัวเราก็นึกอ๋อเขาสันหัวผูกไมตรีตอบรับไมตรีอะไรเราสักอย่างถึงพูดกันรู้บ้างไม่รู้บ้างอุปการชีวก็สันหัวอย่างนี้แล้วก็มีแลบลิ้นประสมประเสกันกับรบแบบทิเบตกับใครการรับรองแบบแขกแล้วก็ไปแล้วก็ฝังคําว่าอนันตจินไป ก็พระพุทธเจ้าไปที่สารนาฏที่เจ้าเจ้าคันธีสถุเจ้าคันธีส ถ, ถ, สถุเราขึ้นไปไปขึ้นมาแล้วแล้วก็อนันต์อุปกาจิวก็จาริกไปสู่บ้านของสกุลอุปถาที่มีอาชีพเป็นนายพรานผู้ใหญ่ซึ่งก็บังเอิญนายพรานเนี่ยเขาก็ต้องออกป่า ออกไปจริงก็หลายวันเวลาออกก็ที่บ้านแม่บ้านลูกบ้านก็ดูแลกันเองและบังเอิญตอนนั้นอุปกรารชีวกไปพอดีก็ได้เจอหน้ากันแค่วันสองวันพลานก็มีกำหนดจะต้องเข้าป่าพร้อมด้วยบริวารก็ฝากสั่งลูกสาวให้ช่วยเอาเป็นธุระว่า ให้ช่วยดูแลพระอาหารหันต์ของเราด้วยอ่อย่าให้ขาดตกบกพร่องลูกสาวก็รับรับหมุงหาอาหารคือศีอ้าอุปการจิ๋วก็อยู่ในที่พรมนักของตัวเองแล้วทุกวันก็ต้องออกมาโครจรวินทบาทลูกสาวก็ใส่บาทวันเดียวหรืออุปการจิ๋หายเลยไม่มาเลยจนกระทั่งในพรานกลับมาถามว่าเป็นไงอาหารหันต์เราเป็นยังไงบ้างบอกไม่รู้สิพ่อ มารับบินสบายปรเดี๋ยหายเงียบไปเลยพ่อก็ตามไปดูปรากฏว่ากินไม่ได้ร่างกายผอมโซหน้าตาซีดเซียวก็ไปแค้นไข้ถามจนได้ความว่าทำไมถึงไม่ไปรับบาทถึงโยมไม่อยู่แต่ก็สั่งลูกของโยมไว้แล้วก็บอกว่าโยมไม่อยู่นั่นแหละว่าลูกของโยมนั่นแหละอาตมาไมัหมดแรงไปบินสบายไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ย เกิดมาไม่เคยรักใครเดี๋ยวนี้มารักลูกโกยมกันแล้วมีแต่ตายกับตายทันนั่นแหละพรานแกก็ใจถึงก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ถามว่ามาครองเรือนมลำบากนะมีศิล ป, ปะอะไรติดตัวบ้างละ่ะหมายถึงมีอาชีพอะไรบ้างเราทำอะไรไม่เป็นทักอย่างแกก็บอกเอาเงีย้ยแล้วกันจะช่ว ย, ายขายเนื้อให้เวลาในพรานไปล่าเนื้อมาจะช่วยขายก็บอกตั้งาั้นได้ก็เอาไปฝาก ไปศึกที่บ้านเพื่อนให้อยู่ที่นั่นสามวันแล้วก็จัดพิธีมาสู่ขอแล้วก็ให้มาอยู่ในสกุลก็ขายเนื้ออยู่กันจนทั้งมีลูกคนหนึ่งาบางแห่งเรียกว่าสุาสพัทธะบางแห่งเรียกว่าสุดทะจะพิมพ์ผิดไงไม่รู้นะอ่านหลายแห่งก็กชวนงงเนี่ยเอาเป็นว่าจําสุพัทธะก็แล้วกันที่อใกล้สุพัทธะ ภิกษุบวชเมื่อแก่หรือสุพทาปิราชก็ได้คราวนี้ก็อยู่กันก็หนักนิดบ้าหน่อยก็อยู่กันไม่ได้มาจนถึงไอ้วันที่จะต้องตัดใจออกบวชเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเวลาที่นางจาป่าตอนนั้นโมโหลูกลูกดือ้อลูกร้องไม่ยอมหลับยอมนอนไกวเปรไปก็ก็จะร้องกล่อมเป็นทำเพลงเสียดสีสามีว่าไอ้ลูกคนแบกเนื้อ หัวเดือยจริงมึงเอไอ้ลูกคนแบกเนื้อนอนนั้นนะลูกไอ้ลูกคนแบกเนื้อพูดไม่ไม่ขาดปากเลยไอ้ลูกคนแบกเนื้อลูกคนแบกเนื้อมันก็แสลงไว้ใจอคนชลาซึ่งเขาว่าใจไม่ก็ใหญ่เท่าไหร่อ ย, อยู่แล้วแล้วก็คนที่เคยเป็นพระเป็นเจ้ามาเนี่ยนะนก็มีแต่คนเขาให้เกียรติยกย่องสะดูดีสรรเสริญแล้วต้องมาหวานอมขมกลืนอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามาออกกลัดหนองแล้วเกิก็เลย กลั้นไม่อยู่ดุว่าภรรยาว่าแกอย่านึกว่าฉันไม่มีที่พึ่งนะเนี่ยอย่านึกว่าฉันจะต้องมาอาศัยครอบครัวแกอยู่ฉันมีที่พึ่งรู้ไหมก็ถามว่าที่พึ่งใครที่พึ่งฉันคืออนันตจินท่านให้รับรองไว้แล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วฉันจะไปหาที่พึ่งหรือฉันไปหาอนันตจินของท่านท่านจะบวชก็ เตรียมเก็บข้าวเก็บของจะไปหาพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่เชตาวันพอบอกก็จะไปเฝ้าภรรยาก็เอะใจวิอนันตจินคือใคร<ท>ก็พลานาคุณให้ฟังเท่าที่ตาเห็นเนี่ยท่านเป็นผู้ประเสริฐเราะจะไปกราบเท้าท่านแล้วขอบุตอยู่กับท่านภรรยาก็เลยใจอ่อนนะะไอ้คนเรางที่โกรธกันอะไรนี่นี่หน่อยหน่อยพอเขาจะไปจริงเขาก็ก็อดโอ้โหสี่อดใจอ่อนก็ไม่ได้แต่จะห้ามก็ห้ามไม่อยู่ ก็เลยบอกอย่างนี้อันนี้มันนี่เป็นตัวอย่างของคําถามที่เราชอบถามกันอย่างหนึ่งว่าคนเป็นในอุทิศสูงสุดได้ไหมนี่ฟังไว้นะแล้วให้จําไว้ด้วยว่าถ้ามีใครก็ถามว่าคนเป็นที่สูงสุดได้ไหมตรงนี้คือตัวอย่างแต่ต้องอธิบายให้ต่างจากอคนตายอุทิศได้แต่อาจจะได้คนละแบบกันก็ดีได้อย่างเดียวกันก็ได้นางจ่าป่าได้ฝากสั่งสามีว่าเอาเหอะไหนๆจะไปแล้วเนี่ย อย่าลืมว่าฉันกับลูกยังอยู่นี่การบวชของท่านบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นจากการไปของท่านเนี่ยขอให้แบ่งเป็นสามส่วนได้ไหมส่วนหนึ่งนะเป็นของท่านอีกสองส่วนนะเป็นของลูกกับของฉันแต่ของลูกนะให้ฉันกันแล้วกันแล้วยาอุตสาหโรบอีกเวลาเนี่ยเธอไปเดินทำประทักษิณรอบพระผุทธรูปพระภาคเมื่อไปเมือ่อ กราบก็ดีเวลากราบไหว้สามครั้งก็ดีนะฮะสวดสติพุพทธทังทุติยะติยะก็ดีแบ่งสามส่วนทั้งนั้นสามีก็เออได้สามีก็ไปไปก็แบ่งให้ภรรยาอุทิศให้ภรรยาภรรยาตั้งทารับอยู่ที่บ้านใ้ลูกอดนะให้ลูกอดเนี่ยถึงลูกไม่ได้เป็นอรหันเนี่ย แม่ได้หมดเลยสองส่วนไปลายเป็นว่าแมมพ่อบวชทั้งคนเนีเบียไปสองแนละ้วตัวเองเหลือเหลือส่วนเดียวอะ่ะอันนี้ก็คิดแบบโลกๆกับความจริงมันแบ่งนี้ไม่ได้ครับสามมีต้องได้เยอะกว่าอยังข้ามนะแต่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวดูผลออกมาพอไปบวชแล้วปรากฏว่า อ, อ, อุปกาชีวกนั้นได้บรรลุแค่อนาคามีบุคคล แล้วก็หมดอายุไขตายไปเกิดเป็นพลมชั้นสุททาวาสชั้นอวิหาอาวิหาเนี่ยไม่ใช่สูงสุดนะ่ะพอพอสามีบวชแล้วนี่ก่อนจะตายภรรยาบารมีมากระตุน้นเมื่อสามสามีอุทิศส่วนกุศลให้แล้วอะไรแล้ว ตรงนี้หมาความจริงอยากอธิบายแทรกแต่ว่าเยอะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะเอาไว้หาช่องทีหลังไอ้อุทิศสงศ์แกผู้เป็นเนได้อะไรกินมาบา้างก็ตอบด้วย่ามันเหมือนก็ให้คนตายบ้างไม่เหมือนบ้างแล้วแต่กรณีแล้วได้เงินเงื่อนไขที่แตกต่างกันผมถึงอุทิศให้คนคนเป็นอยู่เสมอครับแต่ไหนแต่ไรมาแต่โดยมากไม่เคยบอกไม่เคยบอกเแก่ตัวเดี๋ยวก็หาว่าแช่นอุทิศให้เสมอไปอินเดียในยอุฏิเยอะ พวกเราๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยอุทิศให้มวลก็ออกชื่อเลยอุทิศให้ <c oughs> แต่กลับมาแล้วเงียบไม่บอกตอนนี้ก็บอกว่าอุทิศให้นั่นแต่ไม่บอกอุทิศให้ใครคราวนี้นางก็ไปแล้วตามไปบวชบวชทันเห็นสามีแล้วผลปรากฏว่านางจาปาเมื่อได้บวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต นี่เก่งกว่าสามีครับบารมีดีกว่าสามีส่วนบุตรนะ่ะฝากให้ตาเลี้ยงไม่รู้เป็นตายายดีในว่าในประวัติไม่ได้เล่าว่าบรรลุอะไรก็เห็นจะไม่ได้บรรลุหรอกต่อไปอีกองค์หนึ่งองค์ที่หกสิบเก้ามีชื่อว่าสุนทรีเถรีนางสุนทรีเถรีนั้นเป็นลูกของพราหม บอกชื่อได้ ว, ว่าสูตรชาติชาวเมืองพาราณสาีเมืองพาราณสีเนี่ยในพระสูตรทั่วไปก็เหมือนว่าคนไม่เคยได้บรรลุอะไรกันเท่าไหร่นะฮะเป็นเมืองของศีลัปตาปรามาสฝังลากลึกมากฝังลึกมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ผมก็อยากจะสอบดูเหมือนกันว่ามีคนบรรลุทั้งมีชื่อไม่มีชื่อเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เป็นชาวเมืองพาราณสีแล้วบรรลุเนี่ยไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ ทั้งพระทั้งโยมทั้งทั้งพระชายพระหญิงอย่างองค์นี้ก็เป็นชาวเมืองพาราณสีที่ชื่อว่าสุนทรีนะเพราะเป็นคนสวยก็สมัยพุทธกาลมีคนชื่อสุนทรีหลายคนนะทีนี้เหตุที่ทำให้ได้บวชเนี่ยก็เพราะว่านางะมีน้องชายอยู่คนพ่อมีลูกสาวคนลูกชายคนตัวเป็นพี่คนโตน้องชายเกิดมาตายเสียตั้งแต่ในวัยยังหนุ่มยังแน่นพ่อก็เศร้าโศกเสียใจมาก ความหวังหวัวพังทลายหวัวใจแตกสลาย <c oughs> เ, าเมื่อเศร้าโศกอย่างนี้นะนางได้ไปพ่อของนางได้ไปพบกาลยานามิตรคนหนึ่งคือพระเถรีองค์ที่สองของหน้าที่เจ็ดผมชวนให้ย้อนกลับไปดูก็เพราะว่าชะตากรรมของพระนางวาสิทธีกับ พ่อของพระนางสุนทรีเนี่ยเหมือนกันอย่างหนึ่งถ้าใครจำไม่ได้ผมก็จะบอกว่าพระนางวาสิตธีนั้นมีลูกแล้วลูกตายแล้วถึงก็เป็นบ้านะเสียใจเึินก็เป็นบ้าแล้วก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าที่เมืองมิคิลาหรือเมืองอักระอกัอกระซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสรสถานแห่งความรักสาคัญแห่งหนึ่งที่เราก็มาที่เราก็ได้ไปดูมาแล้วด้วยความรู้สึกเซ็งเต็มทีคือทัชมาหาสู้อิดสู้ปูนไม่ได้ตื่นเต้นสู้อิดสู้ปูนไม่ได้ไปดูมาด้วยความเซ็งเซ็งได้จนบา ง, างครั้งเคยบางคนเคยไปดูมาแล้วบอกแขนไม่ไป นั่งอยู่นะเซ็งจนป่อยเลยแม่ะเหี่ยสงสัยโทษเพราะไม่ได้ไปถ้าจะม า, าเนี่ยป่วยไปเลยวันสุดท้ายเลยพลอยไม่ได้ไปดูทุ่งกุรุที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรซะด้วยนางมีความทุกข์อย่างนี้เมื่อได้ไปพบกันเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ร่วมชะตากรรมกันไม่มีใครแนะนำไปเจอ ก็คงจะรู้ประวัติมาก่อนด้วยก็จึงได้มาได้เข้าไปคุยซักถามว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้าเป็นหลังลูกตายเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยมีชีวิตแต่ละวันเหมือนกับเคี้ยวกินลูกตัวเองนะเป็นน้ำนวนดีนี่มาบวชแล้วเออท่านได้มาพบอะไรยังไงเลยนางวาสิทธีได้สั่งสอนให้ธรรมะแก่พ่อที่ลูกตาย ให้ใคลายโศกเมื่อคลายโศกเสร็จแล้วก็มีศรัทธาออกบวชและเมื่อบวชแล้วปรากฏว่าบรรลุเป็นพระอรหันในสามวันนั้นเองนเองนี่พูดถึงพ่อนะพ่อของนางสุนทลีก่อนบรรลุเป็นพระอรหันในสามวันอตอนออกไปบวชเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้บวชที่เมืองพาราณสีหรอกครับตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จประทับอยู่ที่เมืองมิถิลาสอาอนชาดกเราก็จะนึกถึง โมโหสดบัณฑิตเมืองนี้อยู่แถวลูกแม่น้ำยมูนาได้ไปด่วนเลยขึ้นรถมาทั้งตัวเองเป็นสติอยู่แล้วก็ไม่อยากอะไรไปจนกระทั่งพบหระปูติยาไปขอบวชพรเจ้าก็ประทานบวชให้และบรรลุเป็นพระอรหันต์ในสามวัดเมืม่อบรรลุแล้วเนี่ยก็สั่งคนรถมาคนรถกลับให้ไปบอกลูกเมีย ว่าบัตรนี้สุชาติพรามได้ไปบวชแล้วได้ถึงความเจริญในธรรมแล้วทรัพสมบัติทั้งหลายเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ยกให้หมดจะเอาไปใช้อะไรแบ่งกันอย่างไรแล้วแต่แม่บ้านจะจัดการเมื่อคนรถกลับไปบอกอย่างนี้ลูกสาวพอได้ฟังว่าพ่อบวชก็มีบา ร, รมีในทางบวชก็จึงขออนุญาตแม่ บอกกระทับสมบัติทั้งหมก็ยกให้แม่คนเดียวแล้วก็ลูกอยบวชตามม่อแม่ก็พยายามพูดทักทวงโดยประการต่างๆลูกก็พยายามที่จะแกล้ชี้แจงว่าทรัพย์สมบัติทัเนี่ยเป็นของมีโทษเป็นของอะไรต่างๆพรณนายืดยาวนะผมไม่อ่านให้ฟังอะว่าเป็นเป็นการมาคุณมีโทษยังไงในความรู้สึกของผู้เป็นลูกคือนางสุนทรีในที่สุดแม่ก็ใจอ่อนให้บวชลูกเมื่อไปบวชแล้วก็ได้เป็นพระอระหรันตั้งแต่ยังเป็น นางสิกขามาณาก็ยังเป็นอายุยังไม่เต็มยี่สิบเป็นพระอาหารหันต์ไปอีกองหนึ่งทั้งพ่อทั้งลูกส่วนแม่ไม่ได้กล่าวถึงนี่เป็นองนี้ต่อไปอีกองหนึ่งชื่อว่าสุภากรรมมาราทีตุเทรีชื่อภิกษุณีที่ชื่อสุภาเนี่ย ก็บอกว่าเป็นคนงามเป็นชาวเมืองราชคฤห์ครับเป็นลูกของช่างทองชาวเมืองราชคฤห์เป็นรัษดรของพระเจ้าวิบิสาราที่ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนกรุงราชคฤห์เสด็จเข้าไปในกรุงราชคฤห์อตอนที่ทรงประทับอยู่ที่พระเวรวรพระเวรวารณอยู่นอกกำแพงเมืองแล้วก็ เมื่อมีปรารกิจก็เสด็จเข้าไปรับปิณธบาดบางเข้าไปเทศโปรดพระเจ้าแผ่นดินบางโยมบ้างที่จะนิมนต์ไปก็ได้ไปพบตอนนั้นได้ไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคได้ทรงแสดงธรรมในที่นั้นนางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อฟังธรรมเมื่อได้เป็นโสดาบันแล้วก็ขออนุญาตพ่อบวชก็มาบวชกับพานาังประชาบดีโคตรมีท่านนี้แก็มาบวชก็บวช ด, ดีะบวช ด, ด้วยความศรัทธา แต่เนื่องจาวเขาเป็นลูกของคนรวยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นลูกของเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยเป็นแล้วเป็นคนที่มีบุญอย่างหนึ่งเป็นที่รักที่ห่วงใยของญาติพี่น้องแทนที่จะมีคนอีกช้าก็ไม่อะมีแต่คนห่วงใยรักใคร่เลยญาติเนี่ยครับกลายมาเป็นผู้ขัดขวางความเจริญในธรรมก็เป็นโสดาบันอยุงอะนะปฏิบททัติธรรมไม่ขึ้น ก็เดี๋ยวญาติมาเช้ามาเย็นมาทุกวันของญาติเยอะอญาติเยอะแหละมาเช้ามาเย็นแล้วมาเนี่ยมาทำไมรู้ไหมฮะมาด้วยกิจอันเดียวกันนอกเหนือไปจากเรื่องอื่นซื้อเป็นกิจประกอบเอานู่นเอานี่มาถวายเนี่ยมาชวนศึกชวนศึกด้วยอ้างถึงธุรกิจการงานทรัพย์สิน ว่าสุขเถิดทรัพย์สินไปปกครองทรัพย์สินดีกว่าไม่บวญก็ทําบุญได้น้ำนองนี้พูดว่างั้นนางเลยที่แรกก็เกรงใจยากทําไปทํามาเลยหมดความเกรงใจเลยเลยบอกไม่ไม่ต้องมาเยี่ยมไล้่เยี่ยมนี้ม่แทนที่มาเยี่ยมให้กําลังใจมาเยี่ยมไม่เสียกําลังใจมาเยี่ยมทวนศึกทําให้เกิดอุทจจาระความคิดวุ่นวายเกิดอุท จ, จัระกุกุจจาความคิดวุ่นวายเดือดร้อนใจ เลยบอกงั้นไม่ต้องมาเยี่ยบแล้วนางก็โต้ตอบที่แจงให้เห็นคุณของการบวชให้เห็นอันตรายของทรัพย์สินเงินทองหลายอย่างที่ผู้สอดคล้องกันในทางวินัยเนี่ยนะบอกว่าบอกว่าเราบอกว่าเราในบวช ด, ด้วยศรัทธาจะกลับไปสู่กา ร, รทั้งหลายอันเราตัดได้แล้วนั้นไม่สมควรเลยเพราะเราปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยผู้ใดละทองคํา และเงินแล้วยังกลับมารับทองคำและเงินนั้นอีกชนไหนผู้นั้นจะพึงเงยหน้าในระหว่างบัณฑิตทั้งหลายได้เราเพราะเงินและทองคำย่อมไม่มีเพื่อความสงบใจแม้แก่บุคคลนั้นเงินและทองคำนั้นเป็นของไม่สมควรแก่สมณะไม่เป็นอริยทรัพย์แท้จริงทองคำและเงินนี้เป็นเหตุให้เกิดความโลภนำมาซึ่งความมวมเมาให้เกิดความรุ่มหลง เป็นเครื่องให้กำหนัดพัวพันมีความระแวง<ห><ห>เยอะแยะครับจริงทั้งนั้นจริงทั้งนั้นโดยเฉพาะชีวิตการบวชนะฮะแนี้ก็ก็เลยเทศสะเพิดโยมเลยมันมากวนใจสะทีเมื่ อ, อสดเมื่อมเมื่อไม่โยมเข้ามาวุ่นวายอย่างนี้แล้วในที่สุดนางก็ได้บรรลุเป็นพระอารหาันต์ โดยเร็วพลันต่อไปครับเหลืออีกสามองยังไงวันนี้ต้องให้จบแน่องค์ัดไปนะครับเป็นองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดชื่อว่าสุภาชีวกรรมภาวะกรรมภ า, าวะนิกาเทรีที่จริงก็แปลว่าภิกษุณีที่มีชื่อตัวว่าสุภาแต่อยู่วัดชีวกรรมภาวัน ชีวกรพะวันนันคือสวนป่ามะม่วงของหมอชีวกที่อยู่นอกเมืองและจะลืมกันมีสภาพไม่มีต้นมะม่วงสักต้นเวลานี้มีแต่คันคูอิดก่อเป็นกำแพงไว้ให้เห็นเป็นสัญลักษณ์นิดหน่อยไม่มีต้นมะม่วงแล้วแล้วก็อาจจะแคบกว่าที่เป็นก็ได้สมัยก่อนคงกว้างอภิกษุณีรูปนี้ อยู่ที่นี่และมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับที่นี่จึงได้ตั้งชื่อให้ต่างจากภิกษุณีรูปอื่นอย่างภิกษุณีองค์กรที่ชื่อสุภาเป็นชื่อตัวกัมมาระทิตุเนี่ยหมายถึง เ, เป็นที่ดาของนายช่างทองภิกษุณีรูปที่กาลังพูดถึงคือรูปที่เจ็ดสิบเอ็ดนั้นเป็นปลูกพราหมณ์มหาสารชาวเมืองราชครื้ออีกครับเมื่อกี้ลูกช่างทองนี่ลูกพราหมณ์มหาสาร ก็ได้ศรัทธาเมื่อพระผู้มีพระพักเสด็จเข้าเมืองแล้วเจิดลึก อ, อาจจะเป็นในโอกาสเดียวกันก็ได้นะบางทีท่านเธอทั้งสองนี้จะเป็นเพื่อนกันได้มาฟังธรรมะด้วยกันอะไร ด, ด้วยกันเอเรื่องนี้นะ่ะเราต้องทําความรู้สึกอันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสูจน์สองมู่ใหญ่เนี่ยแค่สเสด็จไปไหนไหนให้คนเห็นเนี่ยสร้างพลังศรัทธาได้มหาศาลให้นึกอย่างนั้นนะ าการได้เห็นพระพุทธเจ้าร้องด้วยพภาษาวระพุทธเจ้าจึงเป็นทัศนานุตริยะอย่างใหญ่หลวงเรานึกเทียบเหมือนกับการเห็น อ, อในหลวงนะฮะนี่ที่พอคนไทยจะเนึกเทียบเทียบได้หรือพระที่ท่านมีอาจาระงดงามมีบารมีมากๆเนี่ยเราได้รู้ได้พบได้เห็นท่านก็เกิดความรู้สึกในทางที่ดีแม้ท่านจะไม่ได้พูดเรามาตามความรู้สึกขึ้นอืดมาทันดีเลยศรัทนธะาเนี่ย ทนขึนมาหนึ่งหัวใจปีติเกิดและถ้ายิ่งพระผู้มีพรภาคได้มาทรงตรัส ด, ด้วยถึงจะไม่ได้ตรัสธรรมะเราก็ลองนึกดูฮนะว่าศรัทธาจะท่วนทนขนาดไหนถ้าทรงตรัสธรรมะด้วยตรัสถามะที่หมายถึงหมายมุ่งหมหาเราด้วยเราจะเกิดความรู้สึกเงี่ยโโสดับและเรามักจะรับได้พระพุทธเจ้าจะให้ธรรมะที่พอเหมาะแก่เราที่ท่านจงใจและจะรับได้ โอกาสจะได้ศรัทธาได้ได้บรรลุนี่ยจึงเป็นไปได้ง่ายอย่างนี้ไม่ทราบผมผมสันนิษฐานเกินความจริงไปไหมไม่เกินนะอ่าเมื่อได้ศรัทธาต่อมาเนี่ยนางก็ได้ออกบวชก็ไม่ได้แต่งงานต่างการนะครับแล้วเหตที่นางเป็นคนสวยมากเมื่อออกไปสวยมากนี่จะทําให้เกิดเรื่องทีหลังออกบวชได้สองสาวันบรรลุานาคามีลองลังแล้วก่อนแหละ แต่เพราะนางเป็นคนสวยมากก่อนที่จะบรรลุเป็นพระหลานเนี่ยตอนที่นางอยู่ที่ที่วกรรมพวันเนี่ยก็มีหนุ่มคนหนึ่งมันมาตามตือ้อเวลาจะไปไหนมาไหนออกวินาบาทมาตามตือ้อตามตื้อชวนให้ศึกอยากจะได้เป็นภรรยา แล้วก็ชมว่าตางามมากโดยเฉพาะตาในหวานเห็นตาตบตาทีไล่ก็แหมมันทนไม่ได้นางก็ห้ามด้วยประการต่างๆหลายครั้งหลายหนไอหนุ่มนั้นไม่ฟังตื้อไม่เลิกเกิดความกำหนัดไม่เลิกในที่สุดเนี่ยนางอันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่จริงหรือไม่จริงผมก็ยืนยันอะไรไม่ได้นางทำไงดูไหมแม้มามาจ้องตาชมตาทุกวัน ไม่เป็นอันทําอะไรกันแล้วแล้วคืนปล่อยไปนานเข้านานเข้าบางที่จะเกิดเรื่องไม่ดีไม่ร้ายเหมือนอย่างนางองบุบลวนาเดลีก็ได้นางถึงควักลูกตาออกมาเลยบอกว่าถ้าตาสวยต่อไปควักลูกตามาข้างยื่นให้เท่านั้นแหละครับไอ้หนุ่มนั่นความกําหนัดหายเลยครับก้มลงกราบขอสมาบอกต่อบไปนี้ไม่มาตามตื่ออีกแล้วขอสมาที่ได้ทำรุ่งเกินเป็นเหตุให้นางเนี่ยเหมือนว่า อัดอั้นสันใจทนลำคานไม่ไหวอยากได้ดวงตาก็ควักดวงตาให้อะควักจะทําไงเมื่อไม่เอาก็ใส่เข้ามาอย่างเก่าไอ้ใส่แล้วมันจะเข้าดีเลยเระหว่างนั้นเนี่ยนางได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับอยู่ที่นี่พอดีพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นเหตุการณ์ตาเลือดไหลาอาบมาอย่างนั้นก็ได้ ทรงสแสดงธรรมนางเกิดปีติอย่างยิ่งในนั้นว่างันนะเกิดปีติอย่างยิ่งตาก็ได้ประสานเข้าอย่างเดิมประสาท เ, าเส้นเอ็นต่างๆประสานเข้าอย่างเดิมหายเป็นปกติเป็นปิิทิง้งด้วยพุทธานุภาพด้วยแล้วก็ทำมานุภาพด้วยกระได้นี่นะฮะก็เรื่องนี้ก็เราก็ยืนยันอะไรไม่ได้แครับแต่นี่ท่านเล่าของท่านไว้อย่างนี้ แต่สิ่งแปลกๆนี่มันเป็นไปได้เรารู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่าเวลาเรามีบาดมีแผลอะไรเนี่ยเวลากรรมฐ า, านขึ้นจัดๆเนี่ยเป็นแผลแล้วไม่เจ็บเป็นแผลแล้วสามารถห้ามเลือดได้ห้ามเลือดที่ไหลเนี่ยได้แผลหายเร็วเราก็ได้แค่นั้นนะหรือพออยู่ยงค ง, งพันชาตรีนิดหน่อยได้ต้องใช้คาว่านิดหน่อยจะมากไม่แน่จใจเคยทดลองมาแล้วที่พูดพูดเนี่ยก็ไม่เป็นไร เยวก็บงก็บื้องก็ก็ได้แต่ที่พูรู้ว่าเวลากรรมฐานเราแรงเนี่ยนะไม่เป็นไรของห น, นักๆหลนโดนหัวไม่เป็นไรเฉยไม่รู้ภูมิต้านทานมันมาจากไหนนะทั้งห ย, ยาบหยาบทั้งละเอียดก็รู้สึกับภูมิต้านทานดีขึ้นนี่ <c oughs> ถึงขั้นควักลูกตานี่ใครจะทดลองก็คงไม่มีใครจะต้องไปจําเป็นต้องทดลองนะ จำเป็นถ้าจำเป็นขึ้นมาอาจจะหรือมีเหตุเพศภัยอะไรที่ทําให้มันเกิดภาวะอย่างนั้นขึ้นแล้วมันเกิดให้ผลขึ้นมาอย่างนี้อาจจะเป็นข้อยืนยันได้กระมังอนี่ก็เราไม่มีประสบการณ์ที่จะยืนยันได้ถึงขนาดนั้นแล้วนางก็จริงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในตอนนี้เองครับนี่เป็นประวัติของพิษณีรูปนี้ถามว่าเป็นกุศลนิบาสกุศลนิบาสต้องควักนกตาเนี่ย เป็นอกุศลที่ป่แค่ตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็หมายว่าจะบรรลุทำได้ต้องมีาการพะทุสลายตัวเองด้วยความจำเป็นด้วยกุศลละจิตสะก่อนทานองว่าทนลำคาญไม่ไหวแต่อาาคาท่านไม่โกรธอะไรหรอกแต่ว่าแต่ละท่านก็ใจถึงนะทำเพื่อสกัดกิเลสคนอื่นต่อไปองค์ที่ชื่อว่าอิสี ทาสีเถรีคงที่เจ็ดสิบสองในเรื่องประวัติของอีสิทาสีเทรีนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ของกรรมเรื่องหนึ่งที่ความจริงได้เคยเล่าบ้างแล้วแต่จะต้องกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ำให้ได้ดี่ได้ทางเอเธอเป็นลูกของเศรษฐีชาวเมืองอุเชนีเมืองของพระเจ้าอุเทนอุเชนีเป็นชื่อเป็นชื่อรัฐชื่อนครคือโกสัมพี ก็แต่งงานเอาเป็นลูกเศรษฐีนะไอการแต่งงานเนี่ยปรากฏวราแต่งงานกับคู่สมรสที่เป็นลูกเศรษฐีฐานะเสมอกันอยู่กันได้แค่เดือนเดียวต้องเลิกลาจากกันโดยที่นางไม่ได้มีความผิดอะไรเลยและนอกจากไม่มีความผิดอะไรเลยนางยังมีความชอบเป็นที่รักของคู่พ่อผัวแม่ผัวพี่น้อง ฆ่าทาบบริวารหมู่ญาติเขารักเขาห่วงใยทุกคนเพราะนางเป็นคนที่ดีมากแต่มีคนไม่ชอบอยู่คนเดียวคือสามีไอท้ทีแรกก็ไม่ชอบแล้วไม่มากลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างไม่รู้ไปนอนที่ไหนในสมัยนี้ก็คงมีที่ไปแหละหมายก่องไปไปนอนบ้านพงษ์เพื่อนหนักๆเข้าเพราะพ่แม่เขามาถามว่าทําไมได้ภรรยาดีอย่างนี้จึงไม่เอาใจใส่ไม่ห่วงใยลูกก็ยื่นคําขาดบอกว่า ลูกก็ไม่รู้งันแต่ลูกไม่ชอบลูกทนไม่ได้ถ้าแม่จะเอาลูกแม่ก็ต้องไล่ลูกสะพ้ายถ้าแม่จะเอาลูกกับภายก็หมายแปลว่าแม่จะต้องเสียลูกในที่สุดแม่ก็เลือกเอาลูกอันนี้ก็เป็นธรรมดาก็เลยต้องส่งลูกสะพ้ายกลับไปสู่สะพูนอยู่กันแค่เดือนเดียวอย่ากันโดยไม่มีสาเหตุไปเล่าให้พ่อแม่ทางบ้านฟังพ่อแม่เองก็ไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจเลยเพราะอะไร ไอ้ถ้าไปถามหมอดวงดวงไม่สมพงอะไรก็แล้วแต่จะว่าไปไ ม, ไม่ถึงเหตุต้นตอจริงๆอะ่ะต่อมาเนี่ยก็ยกให้กับลูกเศรษฐีที่มีฐานนะความร่ำรวยลดลงมาขึ้นปรากฏว่าอยู่กันได้อีกเดือนเดียวกันอีกเดือนเดียวสามีคนที่สองบอกเลิกด้วยเหตุผลเดียวกันในที่สุดวันหนึ่ง พ่อก็ไปเห็นไอ้ไอขอทานวีไอพีใ่ไหมหรือจะเรียกว่าไงเป็นขอกึ่งบวชกึ่งขอทานนะบางเออเราไปเจอในอินเดียเดีย๋ยวนี้มันไม่รู้ขอทานหรือพระกันแน่นะเราก็ให้ไปแบบเหนียบๆนั่นแหละมันบวชเพื่อจะขอนะขอะโซอาจจะมีศีลมีอะไรอยู่บ้างบวชไม่รู้พระจริงพระปลอมบวชพอจะนุ่งหมพลาเหลืองหนวดเท้ามีอย่างเงี้ยก็พอเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่า ดีกว่าให้ขอทานธรรมดาหน่อยนะก็เลยวอกอั น, นี่แกไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาข อ, ข อ, ขอเรามามาอยู่กับฉั น, ฉนยกลูกสาวเปียคนตอนนี้ฉันก็เสียหน้าเสียหายหมดแล้วปรากฏว่าไอ้ขอทานน่ะมาอยู่ได้ครึ่งเดือนเท่านั้นแหละครับมันลําบากใจที่จะอยู่ทั้งที่อยู่กินอิม่มน้ํสาสํารลานทุกสุขสบายทุกอย่างมันว่าสู้ไปถือบาศขอทานไม่ได้เมื่อในที่สุดมันก็ ขอลาเศรษฐีไม่เอาอะไรเลยติดตัวไปสักบาทไปขอทานกินอย่างเก่าพอถึงจุดนี้เข้านางอิศิทาสีนี่บอกพ่อหนูมีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งไม่ฆ่าตัวตายก็บวชพ่อว่าทางไหนดีแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่อะไรก็รู้ว่าจะต้องตอบยังไงคงไม่ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีพ่อแม่คนไหนยุยงฆ่าตัวตายแล้วเออไม่เป็นไรพ่อให้ความร่วมมือ พอคาเองก็ได้คงไม่ทำใช่ไหมก็บังเอิญตอนนั้นมีภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่าชินทัตสัออกมาบินมาบินสบานในเมืองนั้นพอดีนางได้ไปพบพอไปพบเข้าก็ได้เทศให้ฟังก็ได้รู้แล้วว่าเอาเราพบทางแล้วก็ออกบวชไปบวชกับนางในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์และเมื่อได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้ววันหนึ่งเรื่องของนางที่ แดงออกมาให้เราได้รู้เนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งไปบินธบาตกลับจากบินธบาตฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนพิษุนีรูปหนึ่งชื่อว่าโพธิเทลีตั้งปัญหาถามว่าแม่นางแม่นางเนี่ยสวยก็สวยสาวก็สาวแล้วก็ยังเกิดเป็นลูกของผู้ผู้ดีมีสกุลร่ำรวยเหตุไฉนถึงออกอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ออกบทแล้วนางก็ด้เล่าเรื่องอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง และนางได้เล่าแถมถึงบุพกรรมที่เป็นเหตุทําให้ชีวิตครอบครัวล้มเหลว อ, อย่างหาสาเหตุไม่ได้ยังไม่สมควรแก่เหตุว่าในอดีตเนี่ยนางเกิดเป็นภรรยาคนที่สองของครอบครัวหนึ่งซึ่งสามีก็มีธรรมะอามามีทีหลังนะไม่ได้มีแต่แรกภรรยาก็มีธรรมะสูง ใจบุนสุนทานในสมัยอดีตนางเกิดความโลภคือคนบางคนเนีเห็นคนดีเป็นเหยื่อนะฮะเห็นคนดีเป็นช่องที่ตัวเองจ ะ, สะแสวงหาผลประโยชน์แทนที่จะเกิดความโลภเรื่อมใสเหมือนอย่างสาธุชนที่ดีเขารู้สึกกันบอก็อ้ยังงั้นดีแล้วเราจะใส่ร้ายใส่ไฟให้สามีในเกลียดปรรยานี้ให้ได้ก็ใส่ร้ายอุบายด้วยประการต่างๆจนกระทั่ง ทำให้สามีเนี่ยเข้าใจภรรยาผิดภรรยาไม่มีความผิดเลยเลยไล่ภรรยาออกแล้วก็เลื่อนตัวเองขึ้นมาเป็นภรรยาคนที่หนึ่งครอบครองทรัพย์สินสลิงคานอยกระทั้งตายจากกันจากบุพกรรมอันนี้แหละที่ทำให้นางเนี่ยประสบกับความล้มเหลวในชีวิตคู่มาหลายชาติแล้วและชาตินี้นะเป็นครั้งสุดท้าย ที่ทำความดีไม่ขึ้นนี่เห็นไหมทำความดีไม่ขึ้นทำคุณบูชาโทษทำดีแล้วคนอื่นเห็นเป็นผิดแปลเป็นผิดนี่เพราะนัเวลาเราเนี่ยบางทีแล้วเอ๊เราก็ว่เาเราก็ทำดีแล้วทำไมคนเขาเห็นเป็นไม่ดีเราก็พิจารณาในเหตุผลในด้านนี้ในในสิน่งนี้ก็อาจจะทำให้เราพิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อ, ออกไอ้ส่วนจะแก้ไขยังไงน่นก็ตอนนี้ไม่พูดในฝฟัง ในที่สุดก็เลยเป็นนั้นว่าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันไปละนี่คือพระอาหารหันที่บรรลุก่อนชีวิตก่อนการบรรลุธรรมเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นชีวิตครอบครัวแตกทําลายมันก็เลยมาเป็นดีทีหลังนะฮะนี่ถ้าจะให้เราสมมุติถามตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าชีวิตครอบครัวเรานะประสบความสําเร็จ แต่ชีวิตเราก็สำเร็จแต่ชีวิตครอบครัวแล้วล่มเหลวในธรรมไม่ได้พบธรรมะเนี่ยละนี่ไทยเลือกสองอย่างนะอย่าไปเอาอย่างอื่นมามามาในเคื่อกับชีวิตครอบครัวเราล่มเหลวแต่เรามาได้ความเจริญในในธรรมะเนี่ยถ้าจะให้เราเลือกสองอย่างเนี่ยเราจะเลือกเอาอะไรนี่ไทยเลือกเองได้ก็ไม่ต้องตอบนะพอทีมก็เลือกอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาได้อย่างเสียอย่างทีก็โลกไม่ช้าทําให้คุณก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเดี๋ยวบางคนอาจจะโลกช้ําทําคุณก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างองค์สุดท้ายครับชื่อว่าสุเมธาเถรีองค์ที่เจ็ดสิบสามองนี้นะเป็นลูกกษัตริย์เป็นที่ดาของพระเจ้าโกนจักรกรุงมันปาวี แล้วต่อมานางได้เป็นอัครมาเหสีของพระมหาของพระเจ้าแผ่นดินอานางได้ฟังธรรมจากาพระพุทธเจ้าเมื่อคราวที่ เ, เรียกว่าเตรียมรถออกไป อ่าคืออย่างเงี้ยคือในในประวัติเนี่ยบอกว่าเตรียมยกให้กาาษัตริย์เมืองหนึ่งเป็นอาค่ามเหสีแปลว่า ย, ยังไม่ได้เป็นจริงนะแต่ว่าได้ตำแหน่งนั่นและนี่ตอนเตรียมพิธีการที่จะยกให้เนี่ยบังเอิญนางได้มาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเสีก่อนเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็เกิด ศรัทธาว่าชีวิตเราไม่ควรแก่การครองเรือนเบื่อหน่ายเห็นโทษเห็นภัยของการครองเรือนก็ขอบวชแล้วก็ในสุดก็ได้บวชปรากฏว่าตอนทำวิธีบวชเนี่ยแค่ตัดผมเนี่ยปลงผมเนี่ยได้บรรลุปฐมฌานเนี่ยก็ไม่มากอะไรนักหรอกครับบรรลุปฐมฌานหลังจากนั้นจึงได้บวชอย่างเต็มที่ ในสำนักของพระนางประชาบาดีโกตมีนะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอลหานในการไม่นานนะเ น, นื้อคนเมื่อตอนบวชบรรลุต่างๆกันอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต mm ่ hmm. ว่าเออทำไมคนบางคนทีบรรลุตอนบวชเนี่ยมันมันจะเกี่ยวความบังเ อ, อิญหรือได้ทำอะไรมาเราคงจะได้วิเคราะห์ให้ฟังกันในลำดับต่อไปวันนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องของพระเทรีจบเจ็ดสิบสามองค์ ข้าวหน้าก็จะพูดถึงพระเถระก็คงจะต้องพูดกันเห็นจะสักสามครั้งกระมังถ้าพูดกันแบบไม่เร็วนักแต่ก็ไม่ไม่ยอมนักขอยุติเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอเรียนประกาศสักนิดนึงนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ที่รานีพันใครที่ไปฟังก็ทีแรกคนนี้ก็จะพูดเรื่อง คือเดิมทีเดียวนี่ยไม่คิดจะมาพูดให้ฟังเรื่องไบอินโอินเดียเนี่ยเพราะว่าคนคงฟังกันเซ็งทั้งไปมาเองทั้งฟังใครตาใครพูดใเขียนจนเซ็งจนอ้าปากก็รู้เดียวคนพูดแล้วแต่ก็รู้สึกมีคนทําท่าอยากให้พูดก็เลยไม่อยากให้พูดก็เลยจะพูดแค่สองขนไปเลยไปเที่ยวยังได้ไม่ต้องมาพูดกันอีกคราวหน้าเนี่ยก็จะพูดพรุ่งนี้นะพูดครั้งหนึ่งก็พูดตั้งแต่เช้ายันเที่ยง แล้วก็มีภาพใายทั้งแต่ว่าจะเป็นเรื่องทั่ ว, วไปแล้วก่อนแล้วก็อีกครั้งจะพูดเป็นเชิงอิงประวัติศาสตร์โบราณกนดีแล้วก็อิงธรรมะเป็นวิชาการเข้มข้นหน่อยอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดจะไม่จบแล้วคนพูดคนฟังต่างคนต่างไม่เบื่อหน่ายด้วยกันก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องดูเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าสองครั้งพูดแน่แนก็ลองไปฟังดูนะฮะ เสาวหน้าวันอะไรอ๋อไม่หยุดนะไม่หยุดไม่ควรหยุดหยุดมาเยอะแล้วแค่นี้ก็เกรงใจพระพุทธธรรมประสงค์มากเลยก็ไม่หยุดนะฮะก็มันจะหลงจุดจีนที่นี่ก็แล้วใครมีธุระจะไปไหนก็ตามสะดวกก็ติดตามฟังฟังเสียงเอากราบขอบพระคุณอาจารย์สุเทพด้วยนะคะก็อาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการบอกว่า หายไปสองอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้บอกว่าหายไปไหนโดยตรงนะฮะก็รอหยุ่ม ก, กันว่าเอ๊จาไม่มีของฝากมาเลยล่ะก็